ที่มากขนาดนั้นครับอย่าไปสนใจมันครับสนใจเออวันนี้เรารู้รู้ชัดแล้วเมื่อกี้เราเผลอแล้ว มีความมั่นพร้อมอยากได้แล้วนะทีนี้ผมเมื่อไปเรียนกรรมฐานกับอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยท่านบอกผมผมงงมากทีแรกท่านบอกว่าสุขก็จะเอานะอะไรเกิดทิ้งไปหมดเลยผมงงมากเลยผมอยากได้อยากได้ความสงบท่านบอกพอสงบเกิดทิ้ง ก็คือไม่ได้อะไรครับคือคือเราปฏิบัติเพื่อไม่ต้องการอะไรเลยนี่แหละจริงมั้ยเนี่ยทีนี้เราอยากได้อยู่แล้วว่าพระอรหันต์ต้อง <c oughs> ที่นี่ผมก็สองปฏิบัติวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาครับมันสะอึกขึ้นมาเนี่ยมันเอ๊ะผลุขึ้นมานี่ตัวอ่อนกว่า มลกอเชื่อมมาให้ครับหวานจึ๊บแล้วขาดเอผมก็สงสัยเราจริงๆผมไม่ได้หลอกตัวเองนะคือมันหวานเนี่ยมันเนี่ยนะไปผม ตนนั้นเป็นนักบวชด้วยครับก็เอาบาตรไปล้างตอนเดินเหมือนลอยไปนะครับมันรู้สึกสบายมัน พอบาดวางจะไหลมารู้ครับรับโอ้โหผมคิดโอ้โหน่าดูแล้วเราคิดอย่างนี้แล้วเมื่อกี้มันน่าดูแล้วน่าดู ไอ้นั่นคือมันมันไม่รู้จักตัวเองนะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งผมผมยั่วนะแล้วมันยังไม่รู้จักว่าเอ้ยผมนึกเนี่ยผมก็เลยไอ้ภาวะชินนี้มันจริงๆด้วย ก็ท่านไม่ทําให้เช่นรู้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้สงบสันติสิ้นเวรไม่ลือริษยาเนี่ยสิ่งอันนี้ครับเป็นที่ผมเรียกว่าโปรแกรมอ่ะเราถูกโปรแกรมไว้ นี่ความที่อาจารย์ไม่ไม่ฉลาดในการสอนสอนหมดแต่ท่านฉลาดในการ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 ผู้ที่เห็นพระเจ้าเขาจะเรียกว่าเค้าเติมท้ายซอยน้ําคํา ถ้าเป็นพวกอินดูผราของเค้าเป็นเทวาครับเป็นเทวดาพวกเค้าถือระดับฌาน แต่ถ้าฮินดูหรือพราหมณ์ก็ถือว่าอย่างสมมุติเค้ามีคุรุหรืออะไรที่เนี่ยลูกศิษย์จะไม่มองเห็นว่าเป็น โจรก็ดีเนี่ยต่อมาท่านจริงก็เป็นคนเท่ากันนะแล้วก็ยังโจรที่ชื่อ แต่พระพุทธเจ้ามีความฉลาดความสามารถมีบารมีด้านอื่นมากจนฉลาดในการสอนฉลาดในการแยกแยะแจกแจงแต่ว่าผล ดังนั้นพระเจ้าเองทราบมั้ยครับว่าเอ่อทราบได้ที่มีโวหารว่า ว่าโอ Inici ฝ่าดินรู้สงฆ์ท่านไม่พูดอย่างนั้นเวลาท่านปฏิบัติยังเป็นพระภิกษุผู้นักบวชหนุ่มอยู่ท่านมี เรามาดูยังพระเยซูก็ดีอะไรเนี่ยก็หรือเอ่ออย่างพระเยซูนี่เค้า ตั้งแต่ล่าเกิดเลยครับจนกระทั่งวันสุดท้ายคนแต่ว่าท่านฉลาดเมตตาอะไรนี้นะครับ เอ่อแต่ว่าชีวิตทางกายก็สืบเนื่องกันอยู่ดังนั้น ก็ทั้งหมดคือคุณธรรมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกิเลสนะทีนี้บางคนเข้าใจนะครับบางพวกเข้าใจพระเจ้ามีฤทธิ์มีเดช <c oughs>